บทที่ 18 ตามดูจิตแล้วภาคไปด้วยกําลังเริ่มฝึกดูๆก็เฝ้าสังเกตและ ที่จิตมันอดภาคไม่ได้รอกครับในเบื้องต้นที่หัดนั้นจิตมันอดแม้ไม่จงใจจะคิดจะภาคมันก็อดไม่ คอยรบกวนการปฏิบัติในขั้นละเอียดเมื่อปฏิบัติชำนิชำนาญไป จะสรุปความรู้ผมเองบางทีก็เป็นอย่างนั้นที่จริงเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอาความรู้หรือโดยจิตมีปัญญาว่าไม่ใช่โดยเรามีความรู้ 16 กรกฎาคม 2542